มิจฉาสมาธิปัจจะยาปิเวทยิตังสัมมาสมาธิปัจจะญติเวทายตังเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาสมาธิบ้างเพราะปัจจัยคือความเข้าไปสงบระงับแห่งมิจฉาสมาธิบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัย คือสัมมาสมาธิบ้างเพราะปัจจัยคือความเข้าไปสงบระงับแห่งสัมมาสมาธิบางในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตัอมบุฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเรามาทำจิตให้มีความวิเวก ให้มีความเรียกร้อให้มีความสงบระงับก่อนที่เราจะไปทํากิจการงานใดๆท่านผู้ฟังเพราะอะไรเพราะว่าจิตที่มีความสงบนั้นจะสามารถทําสิ่งต่างๆได้ดีมีพลังนั่นคือพลังสมาธิจึงในทุกวันอังคารเรามาฝึกปฏิบัติกันสักประมาณ หกสิบนาทีทำจิตให้มีความสงบมาปฏิบัติไปด้วยกันสมาธินั้นมีคุณมากมีโทษน้อยวันนี้จะมาพูดถึงโทษที่น้อยๆของมันน่แหละว่ามันก็มีประโยชน์ใหญ่ๆก็มีมากเราจะมาทำความเข้าใจผ่านทางการปฏิบัติ สมาธิภาวนาเริ่มต้นด้วยการมาเลกถึงคุณของพระพุทธเจ้ากันซะก่อนคือเจริญพุทธานุสติเพราะว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ทุบฟังก็ปรารบพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านไปหลีกร้นอยู่คนเดียวท่านจึงมาเตือนเอาไว้ระวังว่าสมาีินั้นมันก็ให้เกิดเวทนาเหมือนกัน ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่กรุงสาวัตถีแล้วก็ไปหลีกเร้นอยู่ผู้เดียวในวาระนั้น15วันอีกวาระหนึ่งสามเดือนสองวาระแต่ละครั้ง15วันบ้างสามเดือนบ้างไปอยู่คนเดียวไม่ให้ใครเข้าพบ ยกเว้นภิกษุที่นำอาหารไปให้ไม่เทศไม่บอกไม่สอนสงบนิ่งเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างไม่พูดกับใครเลยมองไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาว่างโล่งไปหมดคือไม่เห็นคนมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าสัตว์ป่าต่างๆไม่คุยกับใครด้วยเล็กร้นอยู่ผู้เดียว ลักษณะการไปหลีกเร่นแบบนี้ของพระพุทธเจ้าทุกฝั่งคือท่านไปไตรตรองไกรครวนธรรมาการกระทธรรมแบบนี้เป็นตัวอย่างให้แก่พิสูจในรุ่นหลังๆจนมาถึงพวกเราเพื่อให้ไปหลีกเร้นบ้างในที่ว่าต้องไตรตรองไกรครวนนั้นท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่พระราชาที่เพิ่งขึ้นครองราชใหม่ ก็ให้เปิดห้องคลังสมบัติตรจดูซิว่ามีสมบัติเท่าไรเท่าไรท่านจึงไปหลีกรันอยู่ผู้เดียวไตรตรองใคร่กรุนดูหมวดธรรมะคือในตอนแรกหลังจากตรัสรูแล้วใช้เวลาสี่้าวันไร่กรุนาไตรตรองอยู่ว่ามีธรรมะอะไรบ้างจะสอนไปแนวไหนจะทำยังไง มันยังไม่หมดนะท่านังหลังจากที่มีสาวกเพิ่มขึ้นแล้วเป็น1250รูปในช่วงต้นๆของการเผยแพร่พระศาสนาก็ยังต้องอาศัยจังหวะไปในการหลีกเร่นเพื่อที่จะไตรตรองไคร่กรวนบพบควนดูสมบัติคือตรมะเหล่านั้นซึ่งเวลาที่ออกจากการหลีกเร่นนั้นแล้ว สมาธินี่โอ้โหคมกริบแน่นอนแบบมีพลังมากธรรมเทศนาอะไรที่จะพูดบอกสอนก็จะมีความลึกซึ้งมีความละเอียดต้องวิเคราะห์กันมากก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในเรื่องนี้ดูวัางเราตั้งจิตดิ่งไว้ต่อพระพุทธเจ้าเจริญพุทธานุสติ เอาท่านนี่แหละเป็นตัวอย่างในการที่บางครั้งท่านก็ไปหลีกเล่นอยู่ผู้เดียวเจ็วันบ้างส4ี่วันบ้างส0สบวันบ้างเกสวันสมเดือนบ้างมีเร า, เาข้อนี้มาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติของเราว่าเอาแค่ห6าสิบหสินาทีนี่หละ่ะฉันจะหลีกเล่นอยู่ผู้เดียว ไม่สนใจใครไม่พูดกับใครจะกำหนดไว้ซึ่งประโยชน์ของตนในการตั้งหน้าปฏิบัติตั้งสติดิ่งต่อพระพุทธเจ้าให้คุณไม่ว่าจะเป็นสมาธิของท่านปัญญาของท่านความกรุณาความเมตตาองค์แห่งการตรัสรู้ธรรมใดๆ มารวมไว้อยู่ในคุณข้อพุทธโธคือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งพุทธโธนี้ตัวพระองค์เองมีในระดับของสัมมาสัมพุทธโธแต่พุทธโธนี้ไกลๆก็มีได้เหล่าพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็มีในระดับปัจเจกพุทธโธ เหล่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่อยู่ในสมัยพุทธกาลจนถึงรุ่นต่อๆมาหรือแม้แต่พวกเราที่จะมีการตรัสรู้ความรู้ขึ้นมาในอนาคตก็จะมีพุทธโธในระดับอนุพุทธโธคือมีพุทธโธเหมือนกันให้คุณของท่านมารวมอยู่ในคุณข้อพุทธโธ แล้วเราเอาคุณพ่อพุโทโธที่เราพอจะมีได้นั้นมาตั้งไว้อยู่ในจิตใจของเราเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเอาไว้ในใจวันนี้เรามาจเจริญพุทธานุสติเริ่มต้นจากการมานึกถึงคำว่าพุโทโธแต่จริงๆเราไม่ได้จะเอาคานี้นะทุกฝัง เพราะว่าคุณในพ่อพุทโมไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่ว่าเป็นคุณธรรมหมายถึงความรู้ความตื่นความเบิกบานตอนนี้เราจะตามทางที่ท่านเดินไว้เพื่อที่จะให้ถึงพุทธโธจริงๆเอาเราเอาสติมาตั้งไว้ในใจนึกถึงคำนี้ไว้ก่อนก็ได้ในขณะที่เรานึกพุทธโธพุทธโธอยู่นีตุมฟัง ความนึกถึงความระลึกถึงนั้นคือสติคำว่าพุทธโธนั้นไม่ใช่สติท่านบวแต่การระลึกถึงคมว่าพุทธโธนั้นต่างหากว่าเป็นสติระลึกถึงจากอะไรเพราะว่าจิตคนเรา น, นั้นมักจะไหลคล้อยเคลื่อนไปตามเสียงผ่านทางหูปรุงแต่งต่อเนื่องต่อไป เป็นสังขารการปรุงแต่งออกทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างสิโครนนั้นมันมีแนวโน้มที่จะคล้อยเคลื่อนไปตามกลิน่นที่ผ่านทางจมูกและให้เกิดการปรุงแต่งออกไปเป็นทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างสิโกรนนั้นมักจะคล้อยเคลื่อนไปตามภาพตามแสง ที่เห็นผ่านทางตาให้เกิดการปรุงแต่งออกไปเป็นเสียงบ้างคือวาจาเป็นการกระทำผ่านทางกายหรือเป็นความคิดนึกก็คือกรรมการกระทำผ่านทางใจที่คราวนั้นมีแนวโน้มที่มักจะคล้อยเคลื่อนไปตามรถผ่านทางลิ้นปดทธาผาผ่านทางกาย หรือทำมารมความคิดนึกต่างๆบ่านทางช่องทางใจแล้วจึงจะมีการปรุงแต่งต่อไปออกไปเป็นคาพูดออกไปเป็นการกระทาทางกายหรือเพียงแค่คิดนึกปรุงแต่งต่อไปก็เป็นการกระทาทางใจขึ้นมาเวลาที่จิตเรานั้นคล้อยเคลื่อนไปตามภาษาเหล่านี้ก็เรียกว่าเพลินไปก็เรียกว่าเผลอไป ก็เรียกว่าน้อมไปก็เรียกว่าเคลื่อนไปเหลือเพลินน้อมเคลื่อนไปอย่างนี้มันก็ไปตามอำนาจของสิ่งนั้นไงสิ่งนั้นก็จะมีอำนาจเหนือจิตขึ้นมาสิ่งนั้นคือเสียงผ่า น, ห, นหูเนี่ยความคิดในึผ่านทางใจเนี่ยนะมันจะมีอำนาจเหนือจิตขึ้นมาเพราะว่าจิตนั้นให้อำนาจกับมันในการที่คลอยเคลื่อนไปตามมันในการที่เพลินไปตามมัน จะให้ไม่เผลอไม่เผลอไม่คล้อยไม่เคลื่อนไปนั้นเราจึงต้องมีที่ตั้งที่ระลึกถึงนความระลึกได้ความนึกได้ความไม่เผลอไม่เปลอนั้นคือสติเราไม่ลืมพุโทโธพุโทโธพุโทโธแน่นอนเลยก็ที่เราคิดนึกอยู่พุโทโธนี้เราก็ได้ยินเสียงคนอื่นด้วย ไม่ใช่แค่เสียงพระมหาภายัยบู์อาจจะเป็นเสียงไก่เสียงตุ๊กแกจิ้งจกแถวนี้เป็นเสียงของคนข้างบ้านคนข้างห้องหรือว่าเสียงรถราภายนอกผ่านมาเราไม่ลืมพุทโธนะความไม่ลืมพุทโธนะั่นะน่นะั่นะนะนะนะสติเราต้องได้ไง ในขณะที่เราก็มีการรับรู้ความคิดนึกหรือธรมะรมผ่านทางใจด้วยชมูมีกลิ่นผ่านมามันก็ได้กลิ่นด้วยหรือแม้พลตภาณร์ทางกายของเราเนี่ยนั่งอยู่บนเก้าอี้บ้างบนที่นอนบ้างบนที่นั่งบ้างเดินอยู่บ้างวิ่งอยู่บ้างคุณรับรู้ภาษะที่เป็นพลตภัณฑ์ทางกายนี้ได้หมดอะแต่ไม่ลืมพุทโทไงความไม่ลืมไม่เผลอ ระลึกได้ น, นั่นสติตั้งสติเอาไว้พระพุทชาต้่นเวลาไปไหนท่านมีสติตลอดฉะนอยู่คนเดียวได้รับผัสสะ ต, ต่างๆเหมือนที่เราอยู่นี้ก็ไม่ลืมก็ ม, มีที่ระลึกถึงไม่ลมหายใจคืออาณาปานสติบางทีก็เป็นกายยะขตาสติระลึกถึงกาย ไม่ลมหายใจไม่กายเพิ่งจริงกายกึ่งลมบางทีท่านก็ใช้สังขารนุสติเฮอนึกถึงสาวรีบุตรนึกถึงมหากระสปะเออท่านเป็นยังไงอยู่ที่ไหนทำอะไรมีสติอยู่หรือจะไม่อาณาปานุสติกายคตาสติสังขารนุสติบางทีก็นิ่งๆเย็นๆอยู่คนเดียวไม่ติงไม่อะไรไม่คิดไม่นั่นนี่ เป็นอุปสมานุสติก็มีคือไม่ใช่หมายความว่าคุณจะมีสติหรือไม่มีสติเราคือจะต้องไม่คิดหรือคิดมันไม่เกี่ยวกันคิดแล้วจะให้มีสติอยู่ก็ทําได้บางคนไม่คิดอะไรแต่เพลินไปในสมาธิไม่มีสติก็ได้เหมือนกันตรงนี้แหละทุกผู้ฟังมันจึงเป็นเรื่องสําคัญ เราตั้งสติไว้ดีนะตั้งสติไว้ให้ดีเพราะตั้งสติไว้ให้ดี ไ, ดไม่เผลอเปลินเวลาจิตมันระงับลงระงับลงนี่เพราะว่าพอจิตเรามันไม่เผลอไปตามสิ่งต่างๆใช่ไหมสัตว์หกชนิดมันอ่อนกําลังไนงะงูอ่อนกําลังมันก็จะกลับไปสู่จอมปลวกสู่รูของมันมันก็ไปไม่ได้ มันก็ต้องผูกอยู่ที่เสาติดอยู่ลิงมันจะเข้าไปป่ามันดึงดึงโอ้เหนื่อยไปไม่ไหวมันไปป่าไม่ได้มันก็มานั่งเจา้านอนเจ้าอยู่ข้างเสาไปไม่ได้หรือนกมันจะบินขึ้นฟ้าจะระเข้จะลงน้ำสุนัขป่าจะเข้าป่าช้าสุนัขบ้านจะเข้าไปในบ้านมันไปไม่ได้นะมันถูกผูกเชือกติดไว้อยู่กับเสา เหนื่อยแล้วมันก็มานั่งเจ้านอนเจ้าเหมือนกันจิตของเราถ้ามันจะไปตามเสียงผ่านหูรูปผ่านตาธาารรมรมผ่านใจถ้ามันไปไม่ได้เพราะไม่เผลอไม่เพลิอนอยู่อะไรพุโทโธแล้วไงมันไปไม่ได้แล้วมันก็ระงับไงจิตก็จะระงับลงระงับลงพอระงับลงแล้วไงพุโทโธมันหาย เพราะว่าพุโทโธจริงๆแล้วถูฝกฝ่ามันคือการปรุงแต่งแบบหนึ่งเหมือนกันนะ่ะเป็นการปรุงแต่งทางใจมโนสังขารที่เรากําหนดขึ้นเพื่อเป็นที่ตั้งให้เกิดสติพอมีสติแล้วจิตระ ง, รงรับลงมันจะเป็นสมาธิพุโทโธมันก็ระงรับไปไงระงับไปตรงเนี้คุณตั้งสติไว้เหมือนเดิมนะเหลืออะไรนะมันเหลือสติฉบับคุณต้องจับสติตรงนี้ให้ได้ โดยที่ไม่ต้องมีพุทโธละจะจับได้ไหมมันต้องดูที่เวทนาทุกฝังเพราะว่าถ้าเราไม่มีสตินะเราเพลินไปในสมาธิก็ได้เพลินไปในสมาธิก็คือเพลินไปในเวทนาที่เกิดจากสมาธินั้นนั่นแหละพอเพลินไปในเวทนาสมาธิสมาธิหนึ่งเพลินนั้นอา่าว เพลินนั่นแหละมันไม่ดีเอากผื่คิดนึกพุโทโธแล้วมันนั่นไม่เพลินแต่พอพุโทโธหายไปมีสมาธิเกิดเวทนาไม่มีสมาธิก็มีเวทนามีสมาธิก็มีเวทนาแหละเอาถ้าเผื่อว่าเราเพลินไปในเวทนาสมาธินั่นทั้งฝังเป็นพิษได้นะสมาธิเป็นพิษสมาธิเป็นภยัยเคยได้ยินไหม อันนี้ไม่ใช่พุทธพจน์ธรรมบฟังอาจจะไม่เคยได้ยินก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าจะไม่บอกหรอกว่าสมาธิจะเป็นไปจะมีแต่บอกว่าสมาธินี่ดีนั่นคือสัมมาสมาธิใช่ไหมะละ่ะแต่มิจฉาสมาธิมันก็มีไงธรรมบุฟังเราทําจิตให้สงบตั้งสตวไว้พิจารณาตามให้ดีวันนั้นพระพุทธเจ้าออกจากที่หลีกริน แตงพระราชปราชญิดกมีเรื่องนี้ที่นี่ที่เดียวเป็นประสูตรที่มาในสั่งยุตานิกายถ้าไปตรจดูสมบัติคือธรรมะในข้อที่เกี่ยวกับเวทนาทุบฝังเวทนาหมายถึงการเสวยอารมณ์คือการที่เราจะเข้าไปรู้สึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้ว เราจะไปมีความรู้สึกในสิ่งนั้นน่ะรู้สึกว่ามันจะเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างหรือไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นได้ทั้งกับเวลาที่มีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นหรือสัมมาสมาธิดับไปการสวยอารมณ์หรือว่าการเข้าไปรับรู้ความรู้สึกนั้นก็จะเกิดได้แม้แต่กับ เวลาที่มิจฉาสมาธิเกิดขึ้นหรือมิจฉาสมาธิดับไปเวทนาเกิดขึ้นได้นะทุฝังแม้แต่มีมิจฉาสมาธิแม้แต่มีสัมมาสมาธิแม้แต่ว่าสมาธิทั้งสองประเภทนั้นดับไปเวทนาคือการสวยอารมณ์มันก็มีได้อย่าไปว่าอย่างนั้นเลยทฝังเอาถึงขนาดว่าถ้าบรรลุธรรมเอา เวทนาก็ย่อมเกิดขึ้นแม้ในความพยายามที่จะบรรลุธรรมแต่ยังไม่บรรลุเวทนาก็มีการสวยอารมณ์มีแน่ไม่ว่าจะอันใดอันหนึ่งสุขบ้างทุกบ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างกุศลบ้างอากุศลบ้างหรือเป็นวิบากบ้างตะกี้ไม่บรรลุใช่ไหมหรือในกรณีที่ว่าความพยายามมีอยู่แล้วบรรลุธรรมก็เกิดเวทนาคือการสวยอารมณ์เหมือนกัน แต่เวท น, นาอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่การรับรู้การสวยอารมมีความรู้สึกเนี่ยมันมีแน่ถ้าเรามาพูดแค่นี้ต่อไฟังมีคือเนื้อหาที่มาในประสูนเราใช้สมาธิไตรตรองไกรกรุครนคำที่เป็นพุทธพจทนท่ยกขึ้นมาตั้งแต่ตอนต้นรายการไกรกรนุนไตรตรองด้วยปัญญา เวทนาให้มีปัญญาในเวทนาอย่างไงนะเวทนามีหมดอยู่ตลอดแม้ในขณะที่เราไม่ได้สมาธิไม่ได้สมาธิอมตะที่ก็ฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านไม่สงบมันอยู่ที่ฟุ้งซ่านเรื่องอะไรแต่ฟุ้งซ่านเรื่องกามเรื่องคิดจะไปกินที่นั่นเรื่องที่จะฟังเพลงเรื่องที่จะมีความสุขต่างๆ สุขเวทนาก็มีมีปรารบเย่าเรือนบ้างปรารบการหลีกออกจากเย่าเรือนบ้างซึ่งมันก็เป็นสุขเวทนาก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเวลาที่คุณเข้ามาที่จิตสงบเป็นอารมณ์อันเดียวมีปีติมีสุขก็มีสุขเวทนาเหมือนกันนะเออนั่นแหะสิหรือเวลามีทุกขเวทนาคุณคิดฟุ้งซ่านใช่ปะ เราไปคิดเรื่องโอ้บางทีกลุ้มใจเรื่องลูกกลุ้มใจเรื่องงานกลุ้มใจเรื่องคู่ครองรโอ้ยนี่ทุกขเวทนาเอาทําสมาธิดูอ้ไม่คิดเรื่องพวกนั้นไม่คิดเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นแต่ว่าไอ้เฮ้ทไมสมาธิมันไม่ได้สิดีนะมันไม่สุขเหมือนก่อนพอเรามองว่ามันไม่สุขเหมือนก่อนก็เลยมีความทุกข์ขึ้นมาว่าโอ้ยทำไมฉันทําสมาธิไม่ได้ แต่ก็ไม่ฟูงชานนะแต่ไม่สุขเหมือนก่อนมันจึงมีความทุกข์ก็มีทุกขเวทนาเหมือนกันนะทุกขเวทนามีสุขเวทนามีาทุกขมสุขเวทนาก็มีแม้มีสัมมาสมาธิหรือมีมิจฉาสมาธิสมาธิไม่ว่าจะอะไรทุฝังมันมีความรู้สึกเราเข้าไปสวยอารมณ์ในสิ่งเหล่านั้นได้ตรงนี้แหละทุกงังที่จะเป็นกับดัก ในความที่ว่าจะทําให้เราเข้าใจผิดหลงผิดไปเข้าใจผิดหลงผิดไปในสมาธิเข้าใจผิดหลงผิดไปในสมาธิทั้งหมดฟังฟังให้ดีสมาธิคุณหลงไปในนั้นก็ไดสมาธิหลอกเราก็ได้สมาธิเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายก็ได้เพราะอะไรเพราะจิตมันหลอกไง จิตมันหลอกให้เข้าไปยึดถือเวทนานั้นเนะ่ยโดยความเป็นตัวตนยึดถือเวทนาที่เกิดขึ้นจากสัมมาสมาธินั้นโดยความเป็นตัวตนสวยอารมณ์ที่เกิดจากสมมาสมาธินั้นแล้วก็ยึดถืออารมณ์นั้นโดยความเป็นตัวตนขึ้นมาว่านี้นี้หรือไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ พอเป็นตัวตนแล้วยงไหมือนก็เป็นอัตตาไงพอเป็นอัตตาแล้วความเป็นตัวตนแล้วมันก็เปลือกก็เปลิน่นกิวณิเป็นเราเรามีในสิ่งนี้สิ่งนี้มีในเราฉันบรรลุทำแล้วเคสคลาสสิกมากๆตั้งไว้งนั่นคือท่นพระเทวดัตมีสัมมาสมาธิไหมแน่นอนคือบงคนอาจจะเถียงว่ามไม่ใช่มั่งมันเป็นมิจฉาสมาธิ ก็ถ้าเกิดมีมิจฉาทิฏฐิสมาธิที่ได้ก็เป็นมิจฉาสมาธิไงแต่เป็นสมาธิเหมือนกันนะเป็นสมาธิที่ให้ได้ฤทธิ์สามารถแปลงกายได้ห่อเหินเดินอากาศได้เป็นลักษณะของอิทธิวิธีแต่ด้วยมิจฉาทิฏฐิที่ว่าออฉันก็เจอต้องการลาบต้องการสการะถึงแปลงกายไปแล้วก็ ไปหาเจ้าชายอาชาติศตรูสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในองค์ชายนั้นเพื่อที่จะให้ตัวเองมีลาบสการะนี่คือเคสที่ว่ามีฤิ์ด้วยนะถึงขนาดว่าอิทธิวิธีเลยนะไม่ใช่แค่เจตโตบรยิยานในการจะอ่านวาราจิตคนแต่ก็ถูกสมาธินั่นแหละหลอกให้ไปเข้าใจคิดนึกไปทางที่จะหาลาบสการะ ชื่อเสียงจะว่าก็คือดูดวงให้เจ้าชายอาชาศัตรูแห ล, ละว่าต่อไปจะได้ขึ้นกรองราษต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นี่คือบอกว่าถูกสมาธิหลอกแล้วกรณีของต่านพระเทวทัศน์คือเคสของพระเทวทัศน์ี่คือมีมิจฉาทิฏฐิมาตั้งแต่แรกจึงทำไม่สมาธ่นั้นเป็นมิจฉาสมาธิ อย่างไรก็ตามแม้แต่สัมมาสมาธิเองก็ตามที่ว่าถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมาแล้วมีศรัทธากับพระพุทธเจ้าพยายามที่จะเห็นตามอริยสัจแต่พอมีสมาธิเกิดขึ้นแมมมันชื่นชมสวยอารมณ์ความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นนี้มันก็เกิดปัญญาเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเข้าไปสวยอารมณ์เพลินไปในสิ่งเดียนนั้น เพลินไปในสิ่งที่เห็นั้นก็เพราะว่ามันมีเวทนาเกิดขึ้นไงมีเวทนาเกิดขึ้นจากการที่เราเห็นสิ่งต่างๆหรือแม้แต่ไม่เห็นแล้วเกิดจิตสงบเป็นสมาธิฏฐิจริงๆแล้วก็เพลินไปนในเวทนานั้นเพราะมันมีการสวยอารมณ์เพลินเมื่อไหร่พอใจตรงไหนจิต ด, ดิ่งปักลงไปแม้แต่สัมมาสมาธิอันดับฝัาาง ก็จะเป็นกับดักที่หลอกให้จิตกอนันไปยึดถือได้เพราะมันมีเวทนาพระพระธเจ้านะดูฟังจะไม่พูดหลอกว่าสมาธิมีโทษนะแต่ก็จะพูดแค่นี้ว่า ส, มาสมาัมามาสมาธิก็มีเวทนามิจฉาสมาธิก็มีเวทนาจริงๆเวทนามันน่าจะรงังเกไป no ไม่แต่มันมีเวทนาถ้าเรามีเวทนาแล้วเราเบลนไปในเวทนา มันไม่ได้ความเปลิดอ น, นั้นคือจุดที่จะถูกหลอกไปได้ให้อันตรายความเข้าใจผิดความเป็นพิษจะเกิดขึ้นจากความเปลอเลินไปในการสวยอารมณ์ที่เกิดจากสัมมาสมาธินั้นโหยิ่งไม่ต้องพูดถึงมิจฉาสมาธิที่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นตัวตั้งมาเลยขณะว่าเรามีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวตั้งมาแล้ว พยายามไม่เกิดสมาสมาธิแล้วถ้าเพลินไปในอารมณ์นั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะเอาไม่ต้องว่าเห็นอดีตอนาคต ร, รู้วาระจีคุณอะไรหรอกเอาแค่ว่าถ้าเราเคยจิตสงบเป็นอารมณ์มันเดียวจนพยายามที่จะเห็นความไม่เที่ยงความดับไปแล้ว่คือมีสมมาสมาธิด้วยใช่ป่ะจึงไม่เกิดสัมมาสมาธิใช่ไหมทีนี้พอพยายามอีกครั้งหนึ่งเอามันไม่ได้เว้ย แมมันไม่ได้ ส, ม า, สมาธินั่นนะเอะมันเจอเริ่มมีการสวยอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเฮ้ยฉันก็อยากปฏิบัติบ้างแต่พอฉันไม่ได้ปฏิบัติแล้วมันไม่ดีละเริ่มด่าปริภาทคนละเริ่มทำไม่ดีละเริ่มให้ร้ายคนอื่นบ้างละเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นในการที่จะให้ตัวเองได้ทำแบบนี้แบบนี้ อันนี้คือเวทนาที่เกิดขึ้นจากการที่สัมมาสมาธิมันดับไปใช่ไหมสัมมาสมาธิเกิดก็มีเวทนาสัมมาสมาธิดับก็มีเวทนาคือส ม, มาธิมันดับมันไม่เกิดพอไม่เกิดแล้วก็มีเวทนาแบบนี้เอาแล้วถ้ามันเกิดละ่ะเกิดก็มีเวทนาที่เพลินไปในส ม, มาธินั้นได้อด๋ดูตัวอย่างอราราดาบทกลลมาโคตกอุตกับผู้รามบุตร ส อ, อาจารย์ของพระโพธิสัตว์ตอนที่ก่อนพระพุทิชจาสุตรสรูได้ถึงฌานขั้นที่เจ็ฌานขั้นที่8คืออากินจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะคืออารูปฌานขั้นสูงแต่เพลินไปในเวทนาที่เกิดจากสมาธินั้นพอเพลินไปในเวทนาที่เกิดจากสมาธินั้นแล้วเป็นงไงบรรลุดไหมไม่ บมรไม่ได้แม้แต่ว่าจุดที่พยายามเพื่อที่จะบรรลุได้ตอนนั้นคุณพยายามเห็นความไม่เที่ยงความดับไปของสมาธินั้นแล้วพยายามอยู่แต่ยังไม่บรรลุก็มีเวทนาพยายามอยู่แล้วบรรลุแล้วก็ยังมีเวทนาทนผู้ฟังฐานะสองอย่างคือทั้งเกิดและทั้งดับไม่ว่าจะของสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลก็เกิดเวทนาได้ พอมีเวทนาตรงนี้แหละที่เราต้องระวังถ้าเราไม่ระวังคอย้ำ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะถูกจิตนั้นหลอกให้ไปยึดถือเวทนานั้นถ้าเวทนานั้นเกิดจากสัมมาสมาธิจิตที่ถูกหลอกนั้นก็ทำให้สัมมาสมาธินั้นเป็นภยัยเป็นพิษถ้าเวทนานั้นเกิดจากมิจฉาสมาธิ จิตที่ถูกหลอกให้ไปยึดถือเวทนาที่เกิดจากมิจฉาสมาธินั้นมิจฉาสมาธินั้นก็เป็นภัยเป็นพิษเพราะถูกหลอกแล้วถ้าเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นมาจากความดับไปของสัมมาสมาธิจิตก็ถูกสัมมาสมาธิที่ดับไปนั้นหลอกให้ไปยึดถือเวทนาที่เกิดจากความดับไปของสัมมาสมาธินั้น หรือถ้าเวทนานั้นเกิดจากมิจฉาสมาธิที่มันดับไปความดับไปของมิจฉาสมาธิเกิดเวทนาใช่ไแล้วเราก็าไปยึดถือเวทนานั้นด้วยความเป็นตัวตนว่ามีในฉันฉันเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้หายไปจากฉันฉันไม่มีสิ่งนี้เพราะเป็นอย่างนั้นมิจฉาสมาธินั้นก็หลอกที่ดับไปนั่นน่ะดับไปแล้วมันยังหลอกเราได้เพราะถูกจิตหลอกไงตามอะไรเวทนาคือ การสวยอารมณ์ของจิตของเราจิตมันจึงปลิ้นปลนมันจึงมีความแบบหลอกลวงมีความแบบยักย้ายเปลี่ยนถ่ายมีความแบบไม่มั่นคงไม่แน่นอนนี่มันอะไรเนี่ยทำไมมัน ม, มีใครเข้าไปสวยอารมณ์ใครเข้าไปสวยอารมณ์จิตนั่นแหละสวยอารมณ์จากอะไรได้บ้างสมารถสมาธิเกิดมิจฉาสมาธิเกิดสมารสมาธิดับมิจฉาสมาธิดับ สัมมาทิฏฐิเกิดมิจฉาทิฏฐิเกิดมิจฉาทิฏฐิดับสัมมาทิฏฐิดับได้หมดอ่ะเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดเวทนาหมดเกิดเวทนาหมดหมายถึงสิ่งเข้าไปสวเอารมณ์ได้หมดเข้าไปสวยอารมณ์ได้หมดเข้าไปสวยอารมณ์ได้หมดหมายถึงมีเวทนาคือรู้สึกไงรู้สึกแล้วประเด็นคือ ถ้าเราเผลอไปสักเวทนาใดเวทนาหนึ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิด ข, ข, ขึ้นการสวยอารมณ์นั้นมีอยู่มีอยู่มีอยู่ยแล้วเผลอไปแม้จุดหนึ่งว่าโอ้นี่มันเป็นอย่างนี้เลยนะนี่มันมีในชั้นอ่นนันันมีในสิ่งนี้อ่าชั้นฉันใช่ปะ่ะสิ่งนี้มีในชั้นเป็นฉั้นไม่ใช่ของชั้นของฉั้นของเธอเธออย่างนั้นคนนั้นอันนี้คือเป็นตาละไง เวทนาเข้าไปยึดถือได้ด้วยจิตของเราไม่ว่าเวทนานั้นจะเกิดจากอะไรก็ตามมันมีทุกจุดทุกจุดที่จะเป็นกับดักดึงให้จิตของเรานั้นถูกหลอกไปหลงไปเพลินไปเพล้อไ ป, ไปยึดถือไปได้แม้แต่าจากสัมมาสมาธิก็ตามในพูดย้ำอยู่ในสมววังระวังจิตหลอกหลอกให้ไปยึดถือสมาธิสมาธิก็หลอกสมาธิก็ เ, เป็นพิษเป็นภัย ต้องระวังจะระวังทำยังไงดูานบุฟังก็วเวลาทหารเขาเฝ้าระวัง ค, าคา่ายก็ทํายังไงละ่ะท่านบุฟังเขาต้องตั้งสติเอาไว้เอาแต่ว่าสติหมายถึงสัมมาสมาธิเกิดก็มีสวยอารมณ์เหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันสติดับหมายถึงสมาสติดับก็มีการสวยอารมณ์มีความรู้สึกเหมือนกันหุยเราจะสัมมาสติเกิดหรือดับมีการสวยอารมณ์มิจฉาสติเกิดหรือดับ ก็มีการสว่อารมณ์มีการสวยอารมณ์ ม, ม, ณมีความรู้สึกมีความรู้สึกเหมือนกันเหมือนกันนะ่ะเร า, าจะไม่เผลอไม่เพลินได้ไงก็ต้องมีสติหมายถึงสมรสมาสติด้วยนะก็ยังมีเวทนานี่ไงยามัยามเป็นไส้ศึกเคยได้ยินบ้ายามหลับไหนเคยได้ยินบ้าเป็นไส้ศึกเขายัดเงินเออเปิดไว้ตูให้เขาส่งของออกสงของเข้าเก็บ่วยช่องทางที่มันจะมาจะไปมันเวทนาตรงนี้แหละทุกผู้ฟัง ที่มันจะมีรูรัว่วให้จิตนั้นสามารถปลิ้นปล้อนออกไปถูกหลอเข้าใจผิดโดยความเป็นตัวตนในแม้แต่สติที่เกิดขึ้นไม่ต้องพูดถึงมิจฉาสติแม้แต่สัมมาถสติเองเกิดขึ้นก็มีเวทนาหมายถึงจิตจะรับรู้สวยอารมณ์นั้นได้แล้วถ้าจิต เพลินเข้าใจไปว่าอัน่ฉันได้ฉันเนี่ได้สมาสมาธิแล้วฉันมาจากไหนอ่ะก็ฉันนี่แล้วความรู้สึกไงตัวตนพ อ, อเรามีความรู้สึกมีความเข้าใจโดยความเป็นตัวตนว่าฉันมีสัมมาสติเอานั้นกุนเพลยนแล้วเลยก็ไปสวยอารมณ์แล้วเอาแต่ไม่มีสติไหมมีสัมาราสติอยู่ใช่ไหมมีสัมาราสติอยู่ แต่มันเพลินไปในเวทนาที่เกิดจากสมาสตินั้นไดไงทุกฝังโอ้ยท่านแล้วงี้จะแก้ไงแม้แต่ว่าเราจะคอยเฝ้าระวังมีสติมันยังเพลินไปในเวทนาที่เกิดจากสมมาสติได้หรอวิธีแก้ทุกฝั่งปราะมล็อกหลายชั้นเราจะอันล็อกตรงนี้มันก็ไปล็อกตรงนั้นพอเราจะอันล็อกตรงนั้นหลวงโมจะมาล็อกตรงนี้มันมีเวทนาให้จิตนั้นจะคล้อยเคลื่อนไปตลอดเพราะฉะนั้น ท่านจึงต้องมีองค์ประกอบไงมกแปดนี่ต้องประกอบกันทั้งหมดประกอบกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงเวตนาเป็นยังไงล่ะท่านบอกไว้บอกว่าทรเพสังขารานิจารธาปัญญะปสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง อะทะนิพินทติทุกเขเอสะมมโควิสุทิยาเมื่อนั้นย่อมเบื่อนายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งปัะนิพานอันเป็นธรรมหมดจดหมายความว่าให้เราเห็นการปรุงแต่งคือเวทนาเวทนาจะเป็นการปรุงแต่งหรืท่าน เวทนามันก็เวทนาป่ะคือความรู้สึกการสวยอารมณ์การปรุงแต่งคือสังขารนะ้าสังขารก็ไม่ใช่เวทนาเพราะมันเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไงสังขารการปรุงแต่งหมายถึงการปรุงแต่งเวทนาใดเวทนาหนึ่งให้สมบ ร, รูปโดยความเป็นเวทนาการปรุงแต่งนั้นน่นนะคือสังขารการปรงแต่งสัญญา การปรุงแต่งวิญญาณอันใดอันหนึ่งให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสัญญาหรือวิญญาณอีกอันใดอันหนึ่งขึ้นมาการปรุงแต่งนั้นนะ่ะคือสังขารเพราะฉะนั้นการสวยอารมณ์หมายถึงการที่มันจะมีเวทนาเกิดขึ้นมาหรือดับไปนั่นคือการปรุงแต่งแล้วเลยต้องฟังคือสังขารมีกระบวนการการเกิดขึ้นการดับไปอยู่แล้วให้เราเข้าใจการปรุงแต่งกระบวนการเกิดขึ้น หรือดับไปของสัมมาสติมิจฉาสติสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็ตามการปรุงแต่งแบบนี้มันมีมาใช่ไหมฮะอก็มักแปมันก็เป็นการปรุงแต่งบ้าล่ะเออใช่มักแปรเป็นสังกัตธรรมมิจฉามักทั้งแปก็เป็นสังกัตธรรมแต่มันพาไปคนละทาง เป็นการปรุงแต่งไหมเนี่ยใช่เป็นสังเกตทำเป็นการปรุงแต่งใช่ไหมล่ะมันก็ไปสวยอารมณ์ได้ไงมีความรู้สึกไงโอเคโอเคแล้วไงการปรุงแต่งใดๆนั้นน่ะให้เห็นด้วยปัญญายะธาปัญญายปัสติว่ามันไม่เที่ยงอันนี้จังอันนี้จังคือความไม่เที่ยงทุกขัง คือความเป็นทุกข์บนทนนยืนทิศภาพเดิมไม่ได้และอนัตตาคือความที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ฉันนไม่ใช่ของฉันไม่ใช่มีในฉันฉันไม่ได้เป็นสิ่งนี้สัยนี้ไม่ได้เป็นฉันมันไม่ได้มีในฉันว่าถ้าเราฉันมีสมาธิโอมเลยคุณไม่ได้เห็นถูกความเป็นอนัตตาก็มันมีในใจฉันจริงๆนะแต่เราจะบอกเฮ้สมาธิเกิดขึ้นในใจเนี่มันชุ่มเย็นมากๆเลยอ่ะนั่นไงมีในละมีไม่ม้วนนอนหนู ในในอะก็ในใจฉันนี่แหละก็ น, นั่นแหละมันนันตาเป่าล่ะมันนันตาเต็มเต็มสวยอารมณ์อยู่ปะนั่นใช่ก็สวยอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นสุขจากสมาธินี่ไงก็ น, นั่นนหะสวยอารมณ์ไงสวยอารมณ์ก็ถูกจิตหลอกแล้วให้ยึดถืออารมณ์นั้นมีในฉันไงฉันอยู่ไหนอะก็ตรงนั้นแหละเข้าใจว่าฉันอยู่ตรงไห น, นฉันก็อยู่ตรงนั้น เราก็ถูกจิตหร อ, อกก็ถูกสมาธิที่เราเพิ่งได้มาสุดๆจริงๆนี่นแหละหลอกให้ว่าเอามีในฉันเนไงไม่ได้เห็นด้วยความเป็น น, นนันตานิจจังทุกขังเฮ้แต่เพราะฉันว่าเห็นว่ามันไม่เที่ยงอยู่นะก็ไม่เที่ยงในสิ่งอื่นที่คุณละไม่ได้ไนดะ้ไงอะไรที่คุณละไม่ได้มันก็เกิดเวทนาอะไรที่มันเกิดขึ้นใหมายมันก็เกิดเวทนาตรงนี้นะมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียทุกฝัง่งหมายกว่ามาไอกิเลสอะไรหยาบๆมันก็ค่อยละไปได้นะ มันก็ยังดีนะคือกระบวนการตามเริยมักมีองค์แปดมันไม่ใช่ว่าไม่มีข้อเสียข้อดีมันมากข้อเสียมันน้อยข้อเสียตรงไหนตรงระหว่างที่เรากําลังเดินตามทางมานี่มันไม่หมดเลยใช่อยู่มันจะค่อยลดลงลดลงลดลงลดลงไปมันยังมีไหมมีลดลงไปเรื่อยๆยังมีไหมมีมีที่ลดลงลดลงเนี่ยมันดีป่ะละ่ะดีสิดีมากด้วย เพราะว่ากี่เลสมันลดลงลดลงไงไอ้ที่เราละมาได้ทั้งเยอะแยะเพราะว่าจิตสงบในความที่ว่าฉันไม่ต้องไปยุ่งในทางการปฏิบาทเบียดเบียนนะโอ้หนีดีมากการปยาบาทบีดเบียนนี่ยมันเลวมากมัน ไ, ไม่ผิดศีลทำให้ใส่ร้ายกันที่มแทงด้วยหอกคือปากมีความมุ่นวายมีปัญหาต่างๆเาืเออแต่พอเรามีอริมัชมีองแปะใช่ปะ ไหลมางแต่สมาทิฏิจนถึงสัมมาสมาธิดีเวทนาเกิดขึ้นตลอดอยู่เหมือนกันอ่ะกาก็าไปสวยอารมณ์เกิดขึ้นอยู่ตลอดแต่ว่าเอกกิเลสใหญ่ๆที่มันลดลงไปลดลงไปอันนี้มันดีแต่มันก็ยังมีกิเลสอยู่หมายความว่ า, วาจิตนั้นสามารถที่จะไหลไปตามช่องทางที่มันเป็นรอยเป็นรอยกันมาเพราะมีการสวยอารมณ์สวยอารมณ์ กิเลแม้นิดเดียวนั้นฟังนะเหมือนรากของต้นไผ่รากของต้นไม้ที่ว่าแค่แม้แค่องุ่กุหลีเดียวเนี่ยไม่พอห้าเซนติเมตรเนี่คุณเอาไปปลูกเพาะขึ้นมาเป็นต้นใหม่ได้นะถ้าคุณปลูกเป็นรดนะ้ำมีแดดมีดินแตกยาวๆขึ้นมาเป็นต้นเป็นดอกเป็นป่าทั้งปา่ารคชัดกลับคืนมาไดเหมือนเดิมนะ แค่ราดหนึ่งองคุลีเหมือนกันกิเลสแม้น้อยนิดเดียวเนี่ยที่มันยังเหลืออยู่มันก็กลับงอกขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกันนะแลคือความที่มันละเอียดละอเนี่ยทุกฝั่งมันงอกมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันก็หายไปเพราะอะไรเฮาก็ฉันทำสมาธิได้เห็นความไม่เที่ยงก็ตัดมันออกอีกเพอสงบแล้วครับปุ๊บรู้สึกมีความสวัอารมณ์มีความรู้สึกปุ๊บบางทีก็ไปยืดถือปุ๊บกิเลสมันงอกวึขึ้นมา ยหญ่เบิ่มเลยเอออ๋ออตั้งสติไว้นัสติว่าตัดมันออกได้มันเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นได้ดับได้เร็วด้วยต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาสมาธิดีไหมยกนิ้วให้สองนิ้วเลยกดไลน์ให้สองครั้งเลยดีแน่นอนข้อเสียระวังต้องมีเพราะมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นได้ดับได้ ความที่มันไม่เที่ยงนี่แหละเป็นข้อเสียของมันเราจึงต้องเห็นข้อเสียของเขาด้วยไงดูฟังเพราะว่าถ้าเราจะเห็นแต่ประโยชน์เห็นแต่ประโยชน์นั้นสมาที่ดีนัสมาที่ดีนะคุณพลาดได้นะเพราะว่าถ้าเห็นแต่ข้อดีไม่เห็นข้อเสียไม่เห็นโดยรวมไม่เห็นองค์ประกอบทั้งหมดคุณไม่เข้าใจมันโดยตรงไม่เข้าใจมันเต็มที่พอไม่เข้าใจเต็มที่โดยตรงเป็นไงหูมันหลอก ใครหลอกจิตนั่นและหลอกทำไม่จิตหลอกได้เพราะมันเข้าไปสแวงอารมณ์ที่เกิดจากอะไรสมาธินั่นแหละเอาเฉพาะสมาธิมันดีก็คุณต้องเห็นข้อเสียมันด้วยไงทําไมนะเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเราเห็นเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นแม้จากสมาธินั้นว่าไม่เที่ยงคืออนิจจ์สัพเพสังคาราอนิจจาเห็นด้วยปัญญา ปัญญาปัสติเห็นด้วยปัญญาท่าผู้ฟังปัญญาเห็นไม่ใช่ตัวเราเห็นนะถ้าเราเข้าใจว่าตัวฉันมีปัญญาพลาดเลยเอา้าทําไมอ่ะกทันบอกอยู่เนี่ยว่าสัมมาทิฏฐิมีเกิดขึ้นใช่ไหมเวทนาความรู้สึกการสวยอารมณ์มันก็มีได้เอา้าสัมมาทิฏฐินี่คือปัญญาม่้ก็ใจสิปัญญาแบบเนี้เกิดมีเอา้าแล้วทําไมมีการเข้าไปสวยอารมณ์ ก็เพราะถ้าคิดว่าฉันมีปัญญาไงฉันมีปัญญาคือคุณเข้าไปส่วยอารมณ์นั้นแล้วว่าฮ่าฉันมีปัญญาแต่ว่าไม่ใช่ฉันมีปัญญาแต่ปัญญายะปัสติเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่เห็นด้วยตัวฉัน ไม่ใช่กลัวฉันเข้าไปมีปัญญาหรือมีปัญญาในฉันฉันมีปัญญาปัญญาอยู่ในฉันฉันอยู่ในปัญญาไม่ใช่แต่ปัญญาเป็นผู้เห็นเอาละปัญญาเป็นโดฉันัหมไม่ใช่ไงปัญญาคือปัญญาปัญญาก็ไม่เที่ยงการปรุงแต่งสัพเพสังขาราทุกอย่างไม่เที่ยง เห็นแม้แต well, ่ไอ้เจ้าตัวไม่เที่ยงมันมันก็ไม่เที่ยงด้วยปัญญานี่ยมันก็ไม่เที่ยงด้วยเห็นด้วยปัญญาว่าแม้ปัญญานั้นก็ไม่เที่ยงด้วยอะไรที่มันไม่เที่ยงปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราจะไปเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราโอ้นี่ตกกลายเลยหรือจะเข้าไปเข้าใจว่าเนี่ยสิ่งนั้นมีในฉันโอ้หนี่ตกกลายอีกฉันเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นฉัน สิ่งนี้มีในฉันฉันมีในสิ่งนี้ไม่ได้ไม่ได้คือมันไม่ควรไงถ้าเห็นอย่างนั้นปุ๊บก็คือคุณเข้าไปเซเอารมณ์เข้าไปมีเวทนาในปัญญานั้นในสมาธินั้นในสีนั้นในสตินั้นทันทีทันทีทัน ท, ท, น ท, ท, นทีคือมันมีรูให้เรารัว่วช่องให้ถูกหลอกทางให้ไหลไปได้อยู่ตลอด เพราะมันมีการปรุงแต่งตลอดมักเนี่ยมันจะเป็นการปรุงแต่งมันจึงมีช่องให้ไปได้ตลอดตลอดเนี่ยจังรู้ร่วมันมีคือจริงอยู่พวกนี้มันดีกว่ามิจฉามากแน่นอนใช่ปะ่ะสมมติคุณปฏิบัติตามศีลมันก็ดีกว่าการผิดศีน่ะใช่ผิดศีนยังไงก็ไม่ดีคิดว่าจะวางแผนปล้นคนเออการปล้นวางแผนคุณก็ต้องจิตเป็นสมาธิแต่สมาธิแบบนั้นเป็นมิจฉาสมาธิยังไงก็ไม่ดี เออสู้ว่าเอาสมาธินั้นมาใช้ในการสอบในการคิดจะทำประโยชน์ให้คนอื่นในการที่จะทำจิตให้สงบเออเนี่ยังเป็นสมาสมาธิมันยังดีไงทุกผังแต่ช่องที่จะให้ไหลไปเพราะมันยังอยู่ในระบบของการปรุงแต่งมันจึงมีช่องที่ใช้รั่วให้ถูกหลอกให้เป็นพิษเป็นภยัยอยู่ตลอดเวลา ทำไมพระพุทธเจ้าใครใ่กรวนตรวจสอบดูสมบัติของตนตั้ง49สัปดาห์พอเริ่มมีสาวโบกเลย่ยงขอเวลาไปดูสมบัติต่ออีกสักหน่อยเนี่ยตรงนี้มันใช่ไหมมันยังไงอีก15วันวาระหนึ่งอีก3เดือนวาระหนึ่งตมาังซึ่งแทนที่ว่าเื่วงแรกๆของการประกาศศาสนาเนี่ยแทนที่จะเร่งสอนรีบผลิตคน ขึ้นมาเพื่อที่จะเออมาสืบทอดคำสอนเผยแผ่คำสอนตั้งเป็นศาสนาทำไมจึงต้องเสียเวลาไปสามเดือนไม่สอนใครเลยไม่พบใครด้วยสิบห้าวันอีกวาระหนึ่งแล้วก็ไปดูสมบัติของตนเองคือธรรมะต่างๆโอ้นี่งมันต้องรอบคอบรัดกลุ่มละเอียดไม่หละหลวมชายุโพชงเจ็ดมรกแปดสติปทานสี่ อินสี่ห้พละหโพธิปัขิยธรรม37อย่างทั้งหมดยังรวมถึงคารวะศรธรรมอื่นๆพอ่อปฏิบัติอีก ม, กมากมายทั้งวินัยทั้งธรรมะแต่ออกมาจากการหลีกเล่ามาพูดเรื่องเวทนาเนี่ยทูฟังพูดเรื่องเวทนาคือการสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้กับแม้สิ่งดีๆคือสมาธิที่จนถึงสมาธิทั้งหมดยังเตือนไว้นะสุดท้ายทูฟังว่า แม้แต่การบรรลุธรรมก็ยังมีเวทนาเอคือต่อให้ไม่บรรลุหรือบรรลุแล้วก็ยังมีเวทนาเอาบรรลุแล้วทำไมมีเวทนามีสิเพราะว่ายังมีพระอรหันต์ที่เวทนามันยังไม่ดับไปไงก็เรียกว่าสอุปาที่เสสนิพานธาตุคือนิพานธาตุที่ยังสวยเวทนาอยู่ อั น, นก็ะต้องเปรียบเทียบกับอนุปาที่เสสนิพานธาตุหมายถึงนิพพานที่เวทนานั้นมันดับไปแล้วเย็นแล้วไม่มีแล้วเรื่องสาวุปาที่เสสนิพานธาตหรือว่าอนุปาที่เสสนิพานธาตุนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันวันนี้เอาตรงจุดเวทนานี่ก่อนระวังว่าถ้ามีเวทนาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงนั้นเป็นจุดที่จะสามารถให้จิตนั้น ทูกหลอกพ่อไปยึดถือได้ยึดถือได้ทุกที่ทุกที่ซึ่งมันสามารถก็ไปสัยอารมณ์มีความรู้สึกมีเวทนาได้หมดเลยนะแม้แต่ในสมาธิฏฐิสัมมาสติสมาถ ส, ถสมาธิมีหมดเลยนะทูกจิตหลอกได้ไงหลอกให้ไปยึดถือแล้วสมาธินั้นก็หลอกเราอีกเป็นพิษกับเราอีกเป็นภัยได้นะ่ะเอาเป็นประโยชน์แล้วเป็นโทษก็ได้ไง แต่ความละเอียดตนี้ไม่ใช่หมายว่ า, วาโทษมันอยู่ที่ตัวมันนะแต่โทษมันอยู่ตรงเวทนาโทษจริงๆก็ไม่ได้อยู่ที่เวทนาด้วยโทษมันอยู่ที่ความยึดถือคือมันเป็นสายต่อเนื่องตามกันมาพระพุทธเจ้าด้วยความรัด ก, กุมรอบครอบทำบาทามาฝันท่นจงแบ่งหน้าที่ไว้ดีมากแบ่งหน้าที่ไว้อย่างเยี่ยมมากว่าสติใช่ป่ะสมาสติเนี่ยเป็นมรก เวทนาที่เกิดขึ้นจากสมาสติที่เกิดขึ้นใช่ปะเวทนานั้นเป็นทุกข์ความยึดถือที่มันจะเข้าไปอยู่ในเวทนานั้นน่ะความยึดถืออุปาทานน่ะเป็นสมุทัยไงเดี๋ยวก่อนนะช้าๆทำฝังรถไปรองครกรวนเพ่งตรวจสอบด้วยอะไรปัญญาดูสมาธิสมาสติสมาสมาธิถูกยงไหม ไม่เที่ยงเอาแล้วเวทนาที่เกิดขึ้นจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสติสมาสมาธิเวทนานั้นเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงเอาแล้วสัมมาทิฏฐิดับสัมมาสติดับสัมมาสมาธิดับเวทนาเกิดขึ้นเวทนาที่เกิดขึ้นจากความดับไปของมรรคนั้นเที่ยงไหมเวทนาก็ไม่เที่ยงโอ้มรรดับไปแล้วนะก็ไม่เที่ยงละเอาลแล้เจ้าความยึดถือที่จะเข้าไปอยู่ใน เวทนาที่เกิดขึ้นจากความดับไปหรือมีอยู่ของมรรคทั้งสามนั้นความยึดถือนั้นเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงคือมันไม่เที่ยงทั้งหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นสมูทยัยคือความยึดถือที่จะไปอยู่ในเวทนาคือความทุกข์เป็นส่วนของทุกข อ, อริยสัจที่เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นหรือดับของอริยสัจคือทางคือมรรค ไม่เที่ยงหมดแต่หน้าที่ที่ต้องทำนั้นแตกต่างกันไงแตกต่างกันรูรั่วมันมีอยู่เหมือนเรือที่จะไปสู่ฝั่งนูน้นมีรูรั่วอยู่ใช่ไหมละ่ะแต่ว่าคุณยังอาศัยภายได้โอ้ในขณะเียก็ต้องมีกระบวนการเอาปากเอาน้ำออกรูรั่วมันมีน้ำซึมเข้ามาพวาะฉนั้นก็ไม่ใช้เรือเลยเหรอทิ้งเรือไปออกทิ้งเรือไปได้ไงมันก็ต้องใช้ในการข้ามไป เราจะแก้ปัญหาเรื่องรูรั่วนี่งไงอุดไม่ได้แล้วมันหลายจุดมันก็ซ่อมซ่อมไม่ได้แล้วก็กวักน้ําออกแล้วกันอ่ะน้ำมันไหลเข้ามาก็กวักออกกวักออกเนีนก็ได้เดี๋ยวกิดก็พายไปข้างหน้าพายไปข้างหน้าเอามันไหลเข้ามาเองทำไงก็กวักออกก็กวักออกพายไปข้างหน้าเหมือนกันแต่ต้องฟังเรืองนี่แพร่นี่คือองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างสมาธิฐิถึงสมาสมาธิ เราไม่ต้องพูดถึงมิจฉาเลยนะไม่ต้องพูดถึงมันไม่ดีอยกไปส่วนหนึ่งเอาสัมมาเลยนี่แหละแปลนี้มีรูรั่วไหมโอ้ยนะ้ำมันซึมเข้ามาแน่นอนตัวเปียกเท้าเปียกแน่ถ้าเป็นเรือมันก็มีรูรั่วอยู่นั่นแหละถ้าไม่อุดรูรั่วเรือจมนะใช่เอาอุดยังไงไม่มีอุปกรณ์อุดเอาหนาเอ า, เ อ, าอะไรพออุดได้อุ ด, ด, อดเอาเสื้ออุดเอกผ้าอุดเพราไม่ร้อยเ ก็ต้องกวักน้ำออกรูรั่วของมรรคแบบมีเพราะมันสวยอารมณ์ได้มีความรู้สึกเกิดขึ้นได้้รูรั่วตรงนี้แหละที่ว่าทําให้เราเข้าไปยึดถือในเวทนานั้นได้ยึดถือในเวทนานั้นได้ความรู้สึกเป็นตัวตนเกิดขึ้นรั่วเข้ารั่วเข้าไม่รู้จักกวักน้ำหมอกเรือจมจมก็กรากน้ำน้ำจุกเข้าตองตายได้ท่านจึงแบ่งหน้าที่ไว้ชัดเจนว่า ถ้าน้ำรั่วเข้ามานะต้องกวกออกน้ำข้างนอกมีประโยชน์ช่วยให้เรือลอยน้ำข้างในไหลเข้าผ่านนิดเดียวทําให้เรือจมขุนปฏิบัติตามปริมาตรมีองแบบถูกเราไปขก็น่าได้แต่พอมีเวทนาเกิดขึ้นอยู่ในภายในและเราเห็นเวทนานั้นพอใจในเวทนานั้นหรือไม่พอใจในเวทนานั้นมีความรู้สึกเกิดขึ้น มันมันเข้ามาแล้วน้ำมันไหลเข้ามาข้างในแล้วถ้าไม่กวากออกเวทนานั่นแหละจะทำให้เราไหลกลับไปอีกเรือจมได้กลายเป็นอกุศลขึ้นมาได้หูกสมาธินั่นแหละหลอกแล้วแต่เราจึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยความรัด ก, กุมที่รพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่าให้ความยึดถือไม่ใช่นะต้องกำจัดเพราะมันเป็นสมุทยัยสมุทัยต้องล มักต้องทําให้มากปฏิบัติให้มากทุกทุากขาริยศาสตร์คือเวทน า, ศาต้องเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงมีเวทนาเกิดขึ้นจากสัมมาสมาธิลองเห็นเวทนานั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงจะเห็นเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงต้องใช้ปัญญาปัญญาเป็นสมาธิที่เกิดเวทนาไม่เกิดถ้าเราเข้าใจว่าปัญญานั้นเป็นตัวเราผิด้ํามรวเข้าแล้วทำไง ตาอตกอตกตาออกคืออะไรกําจัดความยึดถืออย่าไปเห็นว่านี้เป็นตัวเราของเราโดยการทำยังไงเห็นว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงเห็นด้วยอะไรปัญญาปัญญาของใครปัญญาก็ปัญญาของมันนั่นแหละไม่ใช่ปัญญาของเราปัญญาของใครนะปัญญามันก็เกิดขึ้นดับไปนั่นแหละไม่ใช่ปัญญาของเราปัญญาของใครนะไม่ใช่ของเรามันเป็นของโลก มันเป็ของที่มันมีอยู่อยู่แล้วเกิดขึ้นดับไปได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ปรินิพพานไปแล้วท่านเอาปัญญาไปด้วยป่ะล่ะบอกไว้กับานบารนกรณีของท่านพระสารีบุตรปรินิพพานไปแล้วเอาแล้ท่านพระสารีบุตรเอากองปัญญาไปด้วยป่ะล่ะโนไม่ไดเอากองปัญญาไปด้วยเลยเหมือนเรือมันรั่วอยู่คุณกําลังพายข้ามไปฝั่งโนูน้นน้ํา ไหลเข้าไหลเข้าน้ำข้างนอกช่วยให้เรือลอยแต่มันพอเข้ามาข้างในมันจะทำให้จมกว่ากวักออกข้างไหนต้องทิ้งข้างนอกทิ้งไม่ได้เพอเอาข้างในทิ้งข้างในทิ้งจนถึงฝั่งโน้นแะล้วทไงรีบออกจากเรือสิเรือจะเอาไปด้วยเหรอไม่ท่านจึงเปรียบองค์ประกอบอันประเสริฐแอย่างนั้นด้วยห่วงแผ ถ้าเราจะยังนั่งอยู่ในเรือแม้ถึงริมฝั่งแล้วโอ้ยเรือเนาะเรือเนาะดีกับฉันจริงๆริงเมันจะไปบรลุได้ไงเหมือนเราก็เข้าสมาธิอยู่เรือ่อยโอ้ยสมาสมาธิดีเนาะดีเนะาะแตไม่ต้งบอกว่าดีนั่นแลวสวยอารมณ์แล้วมีเวทนาความรู้สึกสุขเนาะสุขเนาะอยู่ในสมาธินั่นแหละ ว่ภิกษุเน่ยเขาจึงเข้าใจท่านพระมาหากปินาผิดไปไงว่าเฮายนี่มันสุกเนาะสุกเนาะเนี่ยมันยึดติดในสมาธิแล้วแต่ท่านพระมาหากปินาเนี่ยเข้าใจด้วยปัญญาปัญญาของใครไม่ใช่ปัญญาของใครหรอกปัญญามันไม่ได้เป็นของใครปัญญายับปัสติว่าท่านนิจังทุกขังอนัตตามันจะนายจะนายแม้ใน การปรุงแต่งทั้งหมดเลยนายในเวทนานั้นนายในความสุขนั้นนายในปัญญานั้นนายในมรคนั้นแต่นายในมรแล้วทําอะไรยิ่งทํามรให้มากนายในตัณหาแล้วก็ละตัณหาสินายในทุกข์แล้วเป็นไงเข้าใจทุกข์สิเข้าใจคือยอมรับมันในเวทนาที่มันเกิดขึ้นโอเคมันก็เกิดขึ้นมันก็ดับไปก็ธรรมดาเข้าใจทุกข์แล้วก็เข้าใจ มักด้วยว่าเออมันเกิดขึ้นมันดับไปก็ธรรมดาแต่ว่าฉันต้องทําให้มากๆละ่ะเข้าใจแล้วทาให้มากๆเนะี่ยคือมักเข้าใจในตัณหาด้วยโอ้ี่ไม่เอาไม่เอานี่งไงก็ต้องละน้ําเข้ามาข้างไหนก็ต้องกวักออกกวักออกเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้ท่านบวชนายแล้วไม่เอาแล้วออกจากรือดีก ว, ว่าออกจากเรือขึ้นฝั่งฟากโนอนไปด้วยความสุขดีให้เราไก้กรวดด้วยปัญญาท่านบวช ตัวเราไม่ใช่ของเราให้เห็นด้วยปัญญาปัญญาเป็นผู้เห็นไม่ใช่ตัวของเราเป็นผู้เห็นไม่ใช่ตัวของเรามีปัญญาแต่ปัญญาเกิดขึ้นจากเงื่อนไขปัจจัยมีเหตุของมันจึงตั้งอยู่เวทนาคือความรู้สึกหรือการสวยอารมณ์ที่จเกิดขึ้นจากปัญญานั้นก็มีเกิดขึ้นได้แับไปได้เห็นอยู่อย่างนี้แล้ว เราจะปล่อยวางได้ตัมฟังในช่วงของจิตต ว, วิเวกนั้นจะมาพบกับตัมฟังเป็นประจำในตุกวังการตั้งแต่เวลาตี 5-6 ถึงโมงเชา้าท้งสถานีวิทยุกระจายสิ่งแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ donhaisok.co ข้าพรจ้าพระมหาภัยบุญอาภีปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จรินทร์